บทสวดธรรมวัตรเช้าเย็นจัดทําโดยวัด 9 กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครสวดนําโดยพระเดชพระคุณพระ สมเด็จพระ 48 พรรษาทั้งนี้ Bhuttho Phaggawà Prabhumi Prabhagjau Penta pra arahan Dhabdreng giletreng อภะเจ้าอภิวาคะภูมิพระพักเจ้าภูโรภูตินผู้เบิกบานสวากขาโตภะคะวะตาธัมโม ภาวเจ้านมัสการพระธรรมสุภาติปันโนภะคะวะโตสาอะวะกะสังโฆพระ ยํมํมํโคตังภะคะวันตัง ทันตันดานิหมยันทังภะคะวันตังวาจายะอภิกขุททงพุทธภาคะนะมะการังกะโรมะเสนะโมตัสสัมภะยะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาค <tries> <tries> ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะ สัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมนัสสะภะคะวะโตขอนอบ ราษฎรชอบได้โดยพระองค์ สัมมาสัมพุทธะเป็นผู้สรรสรุชาบได้โดยพระองค์เองวิชชาจารณสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจารณะสุคโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง อโนตโรบุริสสะธรรมสารถิเป็นผู้สามารถฝึก ทักวะเป็นผู้มีความ ได้ทรงทําความดับทุกข์ให้แจ้ง ทรงแสดงธรรมแล้วอานิกันญานังไหว้ระใน ทรงระลึกธรรมอาจารย์คือแบบแห่ง ทามหังภะคะวะนังติระสานะมามิ พระธรรมนั้นได้เป็นธรรมที่พระภูมิมีพระภาคเจ้าได้ Bényàm díguan gàw gà phu ฆma, hàn chong madu tèrt, Òhva-nà-nà-yí-kò, Bényàm díguan nõm gàw ma sài tùa, Pàt-chà-tà-ng-veri-tà-bho-vín-yò-hi, Bényàm dígu ru karu kà shà ng va tòn อภะจาบูชาอย่างยิ่งจะพระประธรรมนั้นธัมมะังธัมมังติรัจฉานะมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยศีลเอย โยสอยสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆสงฆ์สาวกของราหูมีพระพุทธเจ้านั้นหมู่ใด อธิบัตตรงแล้วยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆสงฺฆาวงศ์ สงฆ์ของพระภูมิพระภัทรเจ้า เกสะภะคะวะโตสาวกสังโฆนั่นแลสงฆ์สาวกของพระผู้ เป็นสงฆ์ควรรับทักษิณาทานอัญชลีกรณียโวเป็นสงฆ์ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตตรังบุญญเขตังเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าอัมหังสังฆังอภิปูชยามิ ยถาพระพระสงฆ์หมู่นั้นตัมมหัง พุทธสุสุทโธกรุณามหันโนราหุตตเจ้าทรงเป็นผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดุจดวงมหันนพโยดันตะสุทธรรมรายานโนโฉโนพระ โลกัสสภาภูภิกิเรสคาธโกเป็นผู้ขะเสียซึ่งบาปและอุปธิเรทของโลกวรรณามิพุทธังอะมานะเรนะตังอภะจะไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้อ พระธรรมของพระศาสดาสว่างรุ่งเรืองเปรียบดวง ละโสนัยที่ชี้แนวแห่งโลกุตระ โยนิทัสสันโตสุกตะอนุโพธะโกเป็นผู้เห็น Kāpajāvāy ja prasūṅhūnān, dojjayi kawrub pēr fēr Itewa mekanthapipu janayakāng, vatutdayang vandayatapisangkatāng Pūnyang maryāyāng mamasabupadvā, mahonduvetatsapavavasitiyā โมณาติข้าพเจ้าครูว่าอยู่ซึ่งพระรัตนตรัยอัน พระตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้ เป็นเครื่องสงบเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นไปเพื่อปรินิพพานสมโภค ชาติิเปทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชราเปทุกขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณัง ความไม่สบายทายความไม่สบายใจความขัดแข้นใจก็ ยํเวชังนรปะฏิธรรมวิลูกขังมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้จริงนั้นนั้นก็เป็นทุกข์สังจิตเตนะปัญญุปาทานะนขันธาทุกขาวะโตยออุปาทานขันธังภาเป็นตัวทุกข์สยาทิดังได้แก่สิ่ง ขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูป วิญญาณอุภาดานักคันโทคันอันเป็นที่ เอวังมหุลังสาวกะเวิเนติยํทรง สวรรค์มากย่อมเป็นภายในสาวกทั้งหลายมีการจำแนกอย่างนี้ว่า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 สับเบรษังคาราฮนิจจะสังขารทั้งหลายทั้งพวกไม่เชียงสับเบรษังมาอนาตาติธิ์ทำทั้งหลายทั้งพวกไม่ใช่ตัวตนดังนี้เชมะยังโอทินามหาพวกเราทั้งหลายเป็นพูดถูกครบงำแล้วจาดิยาโดยความเกิน Yairamaranena, doy quam kè l'a, quam thai. Soke hi paridevi hi duke do hi domana se hi upaya se hi. Doy quam sot, quam ramm rai ramm bhan, quam m'ay sabay kai, quam m'ay sabay jay, quam เป็นผู้เป็นผู้มีความทุกเป็นเบื้องหน้าแล้วความทุกข์อย่างลำ ทีละปรินิพพานตัมปิตังภะคะวันตังสรณังกถา สัทธาภะนะวัตโตศาสนังยถาสัตติยถาพลํมะธิกะโรมะอนุปะฏิปัชฌามะตะ เอมะสังเกวะสะเราทั้งหลายสะ ผู้ไกลจากกิเลสรัตตรู้ชอบได้ ภาวธอยู่ซึ่งพรหมจรรย์ในพระ ขอให้พรหมจรรย์ของเราทั้ง ยารังขณะทิโตหลวงความแก่ไปไม่ได้มรณะธัมโม<าย> ดวงความได้ไปไม่ได้สัพเพยิเมปิเยหิมัณนาเปยีนานาภาโว เป็นผู้รับผลของกรรมกรรมยโญนิเป็นผู้มี เยチュアตัสสะนาดายโตภวิสซามิจักเป็นผู้รับ สวดทำวัดเย็นวัดพราม 9 กาญจนาภิเษกนำสวดโดย ภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิง คันโตภะคะวะโตธัมโมปะราธัมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมานะมัสสามิข้าพระเจ้า พระราสงฆ์สาวกของพระผู้ Imehi-sakarehi-tang Bhagavan-tang, sasatham-mang sasavaka-sangkhang apipo-chayama. Kandadani-mayantang bhagavan tang, sa นะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะนัตถังน้อมแด่พระ อานาปานํแด่พระผู้มีพระภาค<บ> ภาจิตติสัพอันงามของพระผู้ว่ายิติพิโสภควาเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้ เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเวทจาจารณสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจารณะสุขัตโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรบุริสสธรรมสารภิ และผู้สามารถฝึกบุรุษที่สม เป็นผู้มีความจำเริญจำแนกคำ สุทธาภิญาณกะรุณาหิสมาฆตัตโตมีพระองค์อันประกอบด้วยพระญาณและพระกรุณาอันบริสุทธิ์โบเธติโยสุชะนะตังกัมมลังวะสุโรพระองค์ใดทรงกระทำชนดีดีให้เบิกบานโยธาธิธัมม์บัวให้บาน บานนามะหังตมะระนังติระสายิเนนังข้าพเจ้าไหว้พระชินนะศรีผู้ไม่มีกิเลสพระ ปาธมานุสสติธานังวันดามิตังสิเรนหังข้าพเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่ 1 ด้วยศีลกล่าวภวทัสสะหัสสมิราโสวะภวโทเมสามิกิจจโร พระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้ามวดโทนุขะ อภิเจ้ามรรคถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้าวันดันโหังยะริสสามิมุตตะเสวะสุโภทิตังอภิเจ้าภูวาอยู่จัก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 ยังบุญยางปะสุตังหิธาขออันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้าบา ขายยนักวาจายวัจเธตสาวาด้วยกายกะดีด้วยวาจากดีด้วยใจกะดีบุทธิ์กูกำมังปกตังมยายังก้ามนาดิเธียนอันไหนที่ขาพระเจ้าคระธรรมรวมเกินแล้วไหนพระบุทธาเช้า ขอพระพุทธเจ้าจงอดนั้นๆกาลันตะเรสังวริตุงวะบุทเถเพื่อ พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้อากาลิโกเป็นธรรมที่ ท่านจงมาดูเถิดโอปณณิกโกเป็นธรรมที่ควรน้องเข้ามาใส่ตัวปัจจทันเวทิธะ สวาคัตตานะติกุนัญโญฆวะเสนะสโยเพราะประกอบด้วยคุณธรรมเป็นธรรมที่ จำแนกเป็นมักผลปริยับดานิภัณฑ์ธรรมโอร์กุโลกะพัฒนาตะดะทาลิทาลิเป็นธรรมทรงไว้ซึ่งพูดทรงธรรมจากการทุกไป ธัมโมยောสัพพปานินังสรณังเขวะมุตตมังพระธรรมใด ธรรมมัสะห้าสมิดาโซว่าธรรมมโมเมศาบิฏโรฮข้าพเจ้าเป็นทาศของพระธรรมพระธรรมเป็นใยมีหิสละหนือข้าพเจ้าธรรมมลุคษฆคตาทาจ ธิทธาทาจหิตสügะ พระธรรมเป็นเครื่องกำจัดทุก ธัมมะสาหเนยยาเนมีสารีรันชีวิตันติดังข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิต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 ยังบุญยางปสุตังอิทาขออันตรายทั้งปวงผู้ว่า อายะนวาจายวะเจนะทะวาด้วยกายข้อดีด้วยวาจาข้อดีด้วยใจข้อดีธัมเมกุกัมมังปะกะทังมะยายังกัมนาดิเตียนันดายขอพระธรรม กาลันตะเรสังวริตุงวะธัมเมเพื่อสำรวมระวัง สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาค สงฆ์สาวกของพระภูมิพระพุทธเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์ อัลฟจารีกปุริซายุ Beetha laserปุริ immunOOK คูเหงบุรุธษีคู หанняปล미ไงตัวบุรุธได้แปร์บุรุธ เผ視พพกđว endpoint Tieraciones are the people of the Holy암 เป็นสงควรเป็นสงควรรับทักสินาทานสักการะที่เขาจัดไว้ อันตมยังสังฆาภิกิติงกโรมเสสัทธัมมะโชสุปฏิปัตติคุณาธิยุตโตปะสังเกิดโดยพระสัทธรรมประกอบ เป็นหมู่แห่งพระอริยบุคคลผู้ประเสริฐประจำพวก สังโฆโยสัพพปานินังสรณังเขมมหุตตมังพระสงฆ์มูลายเป็นสรณะอัน สังขัสธาธิสระโซวะสังข์โ technological แมะทVer มิฒิสโรข้าพระเจ้าเป็นธาช karenaของคระสง คลุ่ลย์เป็น สังครัสสหังนิยادมิ สริรันดิวิตอัญจิ đầu ค่าพจโม blades otrosควาติ dejน สมภิตนี้ สังโฆเมตรณังวรังที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่ ยํปุญฺญํปสุตฺตํอิธาอาคจฺฉาภูวอยุซึ่งพระ คาเยนวาจายวเจรศาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจากดีด้วยใจก็ดีสั่งเขกุกัมมังปกตังมยายังกรามน่าติเตียนอันไลที่ข้าพระเจ้าก็ทำร่วมเกินแล้วไหนข้าสงสั่งโควปฏิการหัดธุอัจยันตัง กาลันตะเรสังบริตุมวะสังเฆเพื่อ จงเป็นผู้ไม่มีเวรเถิดอัพพยาปัชชาโหนตุจงเป็นผู้ไม่เบียดเบียนกันเถิด สัพทั้งหลายทั้งปวงทุกขะปะมุจจันตุจงพ้นจากแล้วเถิดสัพเพสัตตาสัพทั้งปวง เป็นผู้มีกรรมเป็นของของตน กรรมдаяนา เป็นผู้รับผลของกรรมกรรมโยนิเป็นผู้มีกรรมเป็นกำลังกรรมภันฑูเป็นผู้มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมปติสรณะเป็นผู้มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยอย่างกรรมัง จะทำกรรมนั้นไว้กัฤญาณังวา กายของเรานี้แลโคถังบาลัสสราเบื้องบนแต่พื้นเท้า embroที่มั่นกامสิติasureคงสัตว่าไป มากคิดเหมือนไรท่านร้นมีอยู่ในกายนี้ Links ชิบPopodal means to his renkios นะหะโรคือเอ็นทั้งหลายอคิคือกระดูกทั้งหลายอัฐิ ก่ammate with you ก poured worldsấy also และother not alls มะ เถรโนมหลายสิงฆานิกานะโมลาสิกานานไคข้อมุตตะนะโมเอวะมยัง ทานจะปริยันโทมีหนังห่มอยู่เป็นที่สุดโรคปุโรณานัปกาลัสสะ <tinyan> <tinyan> <tinyan> ญาณอนัญญานิกตานิเมเยสัญญะภาหิโนหุตตุ เยปิยาคุณวรรถาจาคือชนเหล่า yeah, อัญเญมัจจัตตะเวริโนสัทธาติทันติโลกัสสเม็งแม้สัตถ์ทั้งหลายอื่นที่เป็นภารานแลมีเวกกันทั้งอยู่ในโลกเทภูมมาจตุโยนิกาเกิดในภูมิ 3 เกิดในกำเนิด 4 ปัญเจกะจตุองค์การ สร้างสรรัมตาข้าวาข้าเวทางเที่ยวอยู่ในครบน้อยและครบใหญ่อย่าตั้งเย็กปฏิดานัมเมสัตว์เราได้ทราบการให้ส่วนบุญของกับเจ้าแล้วอนุโมดันดูเทสยังขอสัตว์เก่านั้นจงอนุโมทนาเองเกิดเย็กจิมังนักประชานันที กษัตริย์เหล่าใดยังไม่สร้างกานให้ส่วนบุญของ สัพเพสัตตาสนาหนตุอเวราสุขะชีวิตโนขอสัตว์ทั้งปวง